ตอนที่82น้องชายหรือน้องสาวหลังจากโรงเรียนมัธยมปลายเปิดเทอมหลีหวนันยังไม่อยากไปสาเหตุหลักคือตอนนี้อากาศยังคงหนาวเหน็บอุณหภูมพิพอๆกับช่วงก่อนปีใหม่นางคิดว่าจะรอจนถึงช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิมาเย็นดอกไม้พรีบานค่อยไปเรียนหลีชิงพิงไม่ ก, ไกล้ากายการตัดสินใจใดๆของลูกสาวร่างกายในช่วงไตรมาส ท, ที่สองของการตั้งคันเริ่มขยับขยืขย่นไม่ค่อยสะดวกนักหลีหวันยังคงส่งน้ําผู้วิญ ญ, ญาณให้หลีชิงพิงทุกวันเหมือนเช่นเคยตอนนี้สภาพผิวของนางดีกว่าตอนก่อนตั้งคันเสียอีก เจ้าชุนฮาวาถึงกับคิดว่าคันนี้ต้องได้หลานสาวแน่นอนพระโบราณว่าไว้ว่าถ้าท้องลูกสาวแม่จะสวยขึ้นแต่ถ้าท้องลูกชายแม่จะขี้เหร่ลงเจิ้งอวินโฉงกลับดีใจมากกับเรื่องนี้เพราะเขาชอบลูกสาวลีชิงพิงเห็นเขาดีใจขนาดนั้นก็ไม่กล้าขัดคอแต่นางกลับรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นลูกชายถึงขั้นฝันเห็นเด็กผู้ชายติดต่อกันหลายคืนชัวว่าเป็นลูกชายแน่ๆช่างเธอปล่อยให้เขาดีใจไปก่อนสักสองสามวันแล้วกัน เงินจากการขายสมุนไพเรครั้งก่อนของหลี่หวานยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยค่าใช้จ่ายในบ้านนางไม่ต้องออกแถมทุกเดือนยังได้รับเงินค่าขนมอีกซึ่งเงินค่าขนมของนางนั้นมีมากที่สุดหากจะพูดถึงเรื่องที่หลี่หวานรุ่มใจที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องสมุนไพเรในมิติลับที่นางไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้การเอาสมร้อยปีออกมาขายครั้งก่อนก็สะดุดตามากพอแล้วหากเอาออกมาอีกหลายหัวความปลอดภัยของนางอาจถูกคุกคามได้ สาเหตุสําคัญคือตอนนี้อายุยังน้อยเกินไปสิ่งที่หลีวหวานทําได้จะมีเพียงการกักตุนสมุนไพรต่อไปเรื่อยๆเพื่อวางแผนสําหรับอนาคตเมื่ออยู่บ้านว่างๆจนเบื่อนางก็จะไปเดินตลาดซื้อของเป็นเพื่อนคุณย่าตลาดสินค้าเกษตรอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้จากใต้หยวนการไปซื้อของจึงสะดวกมากโดยเฉพาะในช่วงหลังปีใหม่ที่ของกินในบ้านถูกกินไปจนเกือบหมดเจ้าชุนฮวาจึงต้องออกไปซื้อของทุกๆสองสามวัน วันนี้หลี่หวานกำลังแทถทางหูหลูพลางมองคุณย่าต่อรองราคากับพ่อค้าเนื้อหมูพวกนางเป็นลูกค้าประจำราคาจึงต้องถูกลงหน่อยแม่หนูหลี่หวานกำลังดูเพลินๆจูๆ่ๆก็มีคนมาตบไหล่นางหันไปเห็นคนคุ้นเคยเป็นเท่าแก่ร้านสมุนไพรคนเดิมนั่นเองเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะหลีหวานกระซิบเบาๆก่อนจะหันไปบอกคุณย่าว่าจะไปซื้อของแถวนี้เจ้าชุนฮวาพยักหน้าพลางบอกว่าจะมีเงินไหมถ้าไม่มีย่าให้อยา ก, กินอะไรก็ซื้ออย่าให้ปากท้องตัวเองต้องลำบากนะ มีค่ะหลิวหวานยิ้มแล้วเดินตามเท่าแก่ร้านสมุนไพรไปยังที่รับตาคนนางถึงถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคนเมื่อกี้คือคุณย่าของเธอเหรอดีเลยที่บ้านเธอยังมีสมร้อยปีอีกไหมฉันจำได้ว่าครั้งก่อนเธอไปว่าที่บ้านนี้มีอยู่ไม่ว่าเธอจะมีเท่าไหร่ขายให้ฉันให้หมดราคาต้องแพงกว่าครั้งก่อนแน่นอนฉันมีธุระด่วน เท่าแกพูดด้วยน้ำเสียงเร่งรีบพอตามหาเด็กสาวคนนี้มานานแล้วแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเบาแสครั้งก่อนรู้แค่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนไม่นึกเลยว่าวันนี้ออกมาข้างนอกจะบังเอิญเจอเข้าจริงๆช่างเป็นวาสนาเสียจริงที่บ้านหนูไม่มีแล้วคะหลี่หวันพูดจบก็นิ่งไปครู่หนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการหนูช่วยไปหาให้ได้หนูจําได้ว่ามีบ้านอีกไม่กี่หลังที่มีอยู่แต่คุณบอกหนูก่อนว่าต้องการสมร้อยปีเยอะขนาดนี้ไปทําไมครั้งก่อนคุณบอกว่าจะเก็บส่สมไว้ไม่ใช่เหรอ มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรจีนแห่งหนึ่งต้องการให้เขาต้องการสมร้อยปีคุณภาพดีไปหาที่อื่นก็หาไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็เจอแต่ของปลอมหลี่หวานพอจะเข้าใจเรื่องราวคร่าคๆนางจึงพยักหน้าตกลงค่าให้เวลาหนูสองวันหนูจะหามาให้รับรองว่าคุณภาพเหมือนกับหัวที่ขายให้คุณวันนั้นแปะเรื่องนี้คุณย่าหนูไม่รู้ถึงเวลาเราค่อยติดต่อกันโดยตรงนะคะโอโอได้เลยตอนนี้เท่าแก่ไม่สนเรื่องอื่นแล้วขอแค่แก้ปัญหาตรงหน้าได้ก็พอไม่ว่าหลีหวานจะใช้วิธีไหนเขาก็ต้องการของ เธอทิ้งที่อยู่บ้านไว้ให้ฉันหน่อยสิอย่างน้อยฉันจะได้รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนวางใจเถอถ้าเธอไม่ให้ฉันบอกใครฉันก็จะไม่บอกเรื่องนี้จะมีแค่เราสองคนที่รู้ไม่จําเป็นข้าไม่สะดวกทิ้งที่อยู่บ้านไว้อีกสองวันหนูจะไปหาที่ร้านเองหลังจากหลีหว่านพูดจบชายคนนั้นก็ได้แต่ต้องเสี่ยงดวงดูนอกจากเชื่อใจแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นตกลงหลังจากนั้นพอเริ่มจะเย็นลงเขาก็รู้สึกว่าตัวเองของบ้าไปแล้วแน่ๆที่ไปเชื่อคําพูดของเด็กสาวคนหนึ่งแถมยังทาธุรกิจกับเด็กอีกด้วย แต่คุณภาพสมครั้งก่อนมันดีจริงๆหาไปทั่วทั้งเมืองก็ไม่มีร้านไหนที่มีคุณภาพดีขนาดนี้เมื่อหลีหวันกลับมาเจ้าชุนฮาวาก็ซื้อของเสร็จพอดีเป็นซี่โครงหมูหนักถึงหกจิงขากลับจะได้ต้มซุปซี่โครงหมูกินกันเจ้าชุฮาานฮัวบ่นพึมพำว่าหลีหวนันผอมเกินไปควรจะบำรุงร่างกายให้ดีพวกน้ำแกงนี่แหละมีสารอาหารที่สุดเอ๊ะจริงสิเมื่อกี้เธอไปซื้ออะไรมาซื้อเสร็จแล้วหรือ ย, ยังไงเจ้าชุนฮาวาถามด้วยความสงสยัย ซื้อเสร็จแล้วเข้าพอดีแม่ชอบกินเกาลัดขั้วหนูเลยซื้อมาเพิ่มอีกหน่อยหลิวันชูให้คุณย่าดูเจ้าชุนฮาวาดมแล้วรู้สึกว่าหอมมากเกาลัดขั้วในฤดูหนาวอร่อยที่สุดอีกสักพักก็คงไม่มีขายแล้วถ้าแม่เธอชอบกินวันหลังออกมาเราค่อยซื้อกันใหม่คุณแย่คะทํางานหนักแบบนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะหลิวันเงยหน้าถามคนอายุขนาดเจ้าชุนฮาวายังมีเรี่ยวแรงขนาดนี้สุขภาพดีจริงๆเหนื่อยสิแต่ถ้าดูแลพวกเธอได้ดีย่าก็มีความสุขเจ้าชุนหวยยกมุมปากขึ้น บ้านที่พ่อเธอได้รับจัดสรรใกล้จะเสร็จแล้วถึงตอนนั้นพวกเธอก็ย้ายเข้าไปอยู่พอถึงเวลาข้าวก่อนค่อยมาที่เรือนเก่าแม้ตอนนี้จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้ามีบ้านสองหลังก็น่าจะอยู่สบายกว่าหนูไม่อยากย้ายไปเลยค่ะลิวันพูดความจริงตอนนี้ในลานบ้านมีคนอยู่เยอะบางครั้งก็คลึกครื้นดีการจัดสรรห้องก็ลงตัวแย่จะเก็บห้องไวใ้ให้เธอเสมออยากกลับมาอยู่เมื่อไหร่ก็กลับมาได้แต่เธอตามแม่พวกเขาย้ายไปได้ดีที่สุดแล้ว เจ้าชุนหัวาพูดแน่นอนว่าไม่ได้รังเกียจหลานสาวหักนางอยู่เรือนเก่าคนเดียวหลีชิงผิงคงไม่สบายใจก็ได้ค่ะถึงตอนนั้นถ้าน้องสาวในท้องแม่เธอเกิดมาห้องหับในบ้านเราก็จะไม่พอใช้แล้วไม่ใช่น้องสาวหรอกคขาต้องเป็นน้องชายหลีหวันแก้ประโยคน์งั้นเราสองคนมาทายกันดูย่า ว, ว่าน้องสาวแม่เธอตอนนี้ชอบกินเผ็ดโบราณว่าเปลียวได้ลูกชายเผ็ดได้ลูกสาวมันก็มีส่วนถูกอยู่นะพวกนั้นมันแค่ภาพลวงตาคะหลีหวันยิ้มอย่างจนใจ ในท้องแม่ต้องเป็นเด็กผู้ชายแน่นอนเธอยังเด็กอยู่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกเจ้าชุนฮาวาคิดว่าหลี่หวันคงแค่เดาสุ่มไปเรื่อยไม่มีหลักฐานอะไรเลยทั้งสองพูดคุยหัวเราะกันไปตลอดทางพอเดินมาถึงหน้าประตูเขตทหารก็ต้องชะงักกึกโหนึกไม่ถึงว่าจะเจอคนคุ้นเคยหลิวเคอรเคอกับโจเจี้ยนเย่เมื่อสายตาของโจวเจี้ยนเย่ปะทะกับหลี่หวนันรูม่านตาของเขาก็สั่นไวหวเยวันพวกเธอเพิ่งซื้อของกลับมาเหรอ คุณย่าคาเราเรียบปรับกันเถอะข้าหนูหิวแล้วอยากกินซี่โครงหมูฝีมือคุณย่าจะแย่จะเรากลับไปทำกันไม่มีมารยาท